ปัญหาข้อที่หนึ่งวิญญาณคืออะไรคําตอบวิญญาณคือการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสและความรู้สึกนึกคิดอีกในายะาหนึ่งวิญญาณคือจักสุวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญา ณ, า ณ, ญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณ และมโนวิญญาณซึ่งเมื่อพูดอย่างง่ายๆตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นคือจักรสุวิญญาณหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดอันหนึง่งที่พูดว่าตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นเป็นต้นนั้นก็เพราะความเป็นจริง ลำพังตาอย่างเดียวไม่อาจจะเห็นอะไรได้ประสาทตาหรือสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเห็นลำพังตัวมันเองก็ไม่อาจจะเห็นอะไรได้การเห็นเกิดจากวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มีอย่างหนึ่งนอกจากร่างกายนอกจากวัตถุแต่วิญญาณจะเกิดการเห็นขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยตาต้องอาศัยประสาทอาศัยความมีชีวิตเช่นเดียวกับต้นไม้ยอมเกิดจากมเมล็ดของมัน แต่ก็ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศอย่างนี้เป็นต้น